วักที่หนึ่งเรื่องที่ห้าทอแห่งการวิวาทพระพุทธภาสิทธิ์ปรเรจณะวิชานันติมยะเมทะยามาห์เสยเยจะตัดฐวิชานันติตัโตสัมันติเมทะคาคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกัน ส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายมั่นซึ่งกันและกันก็ย่อมระงับลงอธิบายความการทะเลาะวิวาทนั้นมาจากเหตุสองประการเป็นอย่างน้อยคือ 1. ผลพ้นประโยชน์ขัดกันและ 2. มีทิฏฐิมานะเข้าหากันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คฤรืหัดทะเลาะ ก, กันด้วยเรื่องการมคือผลประโยชน์บรรพชิตทะเลาะ ก, กันด้วยเรื่องทิฏฐิคือความเห็นอันขัดแย้งกันเมื่อการทะเลาะ ก, กันเกิดขึ้นย่อมต้องย่อยยับไปทั้งสองฝ่ายพึงเห็นตัวอย่างคนเป็นความทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะต้องเสียอย่างยุบยับได้ไม่คุ้มเสีย นอกจากนี้การทะเลาะยังเป็นที่มาแห่งการดูหมินจากผู้อื่นที่น้องผัวเมียทะเลาะกันก็เป็นที่ดูหมินของชาวบ้านพระทะเลาะกันก็เป็นที่ดูหมินของฆราัฎและเป็นเหตุให้ชาวบ้านแตกแยกกันด้วยดังเช่นการทะเลาะวิวาทของภิกษุชาวโกสัมพีเรื่องประกอบภิกษุชาวโกสัมพี ที่โคสิตาราเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยทรผู้ทรงวินัยผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับคณะพระธรรมกถึกผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิทธิ์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือซ่วม ทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยทอนเข้าไปภายหลังท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกระถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัตผมไม่รู้พระธรรมกระถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัตพระวินัยทอนว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเซียคือผมจะแสดงอาบัตพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัตก็ไม่มีพระวินัยทอนว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวินัยทอนนี้พระธรรมกถึกจึงไม่ได้แสดงอาบัตคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยทรนไม่ได้นิ่งเฉย กลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับสิทธิ์ของตนว่าพระธรรมกะถึกแม้ต้องอาบัตก็ไม่รู้เมื่อสิทธิ์ของพระวินัยทรเจอสิทธิ์ของพระธรรมกะถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมินว่าอุปชาของพวกท่านต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของพระธรรมกะถึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปชาของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรสิทธิ์ของพระวินัยทรจึงพูดเช่นนั้น พระธรรมะกะถึกเล่าเรื่องให้สิทธิ์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยทรที่แรกพูดว่าไม่เป็นอาบัตมาบัตนี้ฉะไหนจึงพูดว่าเป็นอาบัตพระวินัยทรพูดมุสาสิทธิ์พระธรรมะกะถึกเมื่อพบสิทธิ์ของพระวินัยทรก็พูดบ้างว่าอุปชาของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิมแทงกันด้วยหอคือปากแล้ว การทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการชนิดต่อมาภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสจึงได้ทำอุกเคปนิยกรรมแก่พระธรรมกรถึกเพราะการไม่เห็นอาบัติท่านอาจารย์วสินได้อธิบายคำว่าอุกเคปนิยกรรมไว้ว่าคือประกาศไม่ให้สงร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมฉันร่วมที่อยู่อาศัย ขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกกันเหมือนกันตำรากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็แตกกันพิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่พระพิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทอนถือว่า การที่พระวินัยทรประกาศโอเคปณิยกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปชาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกัน ทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปราถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่ 3, สทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วสเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทำอุคเขปเนิยกรรมของภิกษุผู้ทาอุคเขปเนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สาเร็จประโยชน์อะไร ภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปราถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุศาสตร์เป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้น นำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตราัชาดกเป็นอันมากมีละตากิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดูดห่วงมหันโนและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีคีติโกสลซึ่งพระเจ้าพรหมทัตให้โปรงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมา ทีคาวุกูมานโอรสพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพรหมทัตได้พระสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีคาวุกูมานยกพระชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีคาวุและพระเจ้าพรหมทัต เป็นผู้มีสัตว์ราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจากปลองดองสามะคีกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายจากเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายคู่บวชในธรรมวินยัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อย แต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเทียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิดระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกจากมูอยู่โดดเดี่ยวช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบินทบาทในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาทด้วยพระองค์เองมีได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลย สเสด็จไปทางพาละกะโลนการามตรัสเอกะจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระพะคุเถระที่พาละกะโลนการามนั้นตรัอานิสง์แห่งสามมคขีแก่กุลบุตรสามคนในมิฆทายวันชื่อปาจีนวังสะซึ่งเป็นป่าที่ประทานให้หมูเนื้ออาศัย ในป่ายอย่างนี้ใครจะทำอันตรายแก่สัตว์ไม่ได้แล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเลยยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเลยยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักิตวันได้รับอุปถากจากช้างชื่อปาริเลยยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุก พวกชาวบ้านไปสู่โคสิตารามไม่เห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจากลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะ ไม่ถวายที่นั่งไม่ทำสามีจิกกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีจิกกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบ ซ, ซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกัน และได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อน เมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจักเป็นเหมือนอย่างเดิมภิษสตรเหล่านั้นไม่อาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่ารักขิตวัน ใกล้หมู่บ้านปารีเลยยกะได้ช้างชื่อปารีเลยยกะอุปถากอยู่ช้างปารีเลยยกะนั้นลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะไระอิตระอาในความเกลื่อนกล่นด้วยหมู่คณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปารีเลยยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่า เราอยู่เกลื่อนกลนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำคุณเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลาย ทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวหลีกออกจากโขงเข้าไปยังป่ารักิตะวันน้าควงไม้สาละใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริเลยะกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปาดกวาดบริเวณใต้ต้นสาระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตัก น้ำเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ้งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำ เมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็เอางวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระศาสดาเป็นทำนองทูลให้ส่งใช้น้ําร้อนได้มันได้นําผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกันเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ช้างได้วางบาทและจีวรของพระองค์ไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเลยยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาทและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทำการต้อนรับ ถือบาทและจีวรไปโดยในยะที่กล่าวแล้วไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณ เมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้าสงพระภาคเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นช้างทำอยู่อย่างนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังพึ่งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวพึ่งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่ พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทำไมหนาพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึง่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาเสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดี บังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงตอไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนั้นแทงสิ้นใจตา ย, ตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดึงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จหลีกรล้นไปอยู่ในป่ารักขิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกิดบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบินทิกะ และวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้ท่านนำเสด็จพระศา ส, สดาไปสู่สาวกีฝ่ายภิกษุจำนวนมากกู้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่า ท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพระาศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระ อ, อ น, นุนพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระาศาสดาณป่ารักิตตะวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อน ควรให้ภิกษุเหล่านี้พักรออยู่ภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบครอบของพระอนนท์คิดอังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริเลยยกะเห็นพระอนนท์มาแตกไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอนนท์พระสัสดาทอดพระเนรเห็นจึงตรัสว่าปาริเลยยกะ หลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนี้จึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามารยาทดี จะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอนตน์ได้วางบาทและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมารยาทดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอานตน์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าข้าเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าข้าไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านี้เข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถานกับเธอทั้งหลาย ด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุ ข, ขุมละเอียดอ่อนทรงเป็นกษัตริย์อันสุ ข, ขุมพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่ากระทากิจอันทำได้โดยยากผู้ปฏิบัติพระองค์คงมิได้มีหน้าที่นี้พระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริเลยยกะได้ทํากิจทั้งปวงอันควรทําแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายเห็นปานนี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรม มุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซส์ก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบาบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังเที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาตังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่า การเที่ยวไปผู mammals, so day, ้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุห0 0รูปได้สำเร็จพระอรหัตตผลพระอนุ์ภูนสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถบินทิกะเป็นต้น ทรงมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอนุนถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไว้ภิสุจทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่า ช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิมฝ่ายช้างรีบเข้าไปในป่า รวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมากองไว้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสวยและภิกษุทั้งหลายได้ฉันผลไม้เหล่านั้นแต่ฉันไม่หมดเมื่อเสร็จพัตตกิจแล้วพระศาสดาทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองเสด็จออกไปก่อนช้างได้ติดตามไปและยืนขวางพระพักไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถาม พระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาริเลยยกะว่าปาริเลยยกะเออยในอัตภาพนี้เธอเป็นดิรัฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสนาหรือมรกผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฝังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้ และติดตามใบเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศัสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริเลยยกะพระศัสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริเลยยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์ไม่ใช่ถิ่นของเจ้ามีภัยอยู่รอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์ลับคลองจากสุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพระบุตรชื่อปาริเลยยกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อขอให้พระศาสดาประธานอภัยพระเจ้าประสเธิโกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถบินทิกาเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัดเชตวันของตน แต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคําของพระองค์เพราะการทะเลาะกันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอ ไม่ให้ภิกษุล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุมก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอาย นั่งกบหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทากรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขาดขืนโอวาทของบิดามารดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกสนดังนี้แล้วตรัสทีคาวุกุมานชาตกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่า เราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมระ ง, งับลงเรื่องทีคาวุกุมารท่านอาจารย์วสินได้เขียนไว้แล้วโดยพิสดารในเรื่องอัญชนกชน น, นีนิรักเจ้าพิม์โดยสำนักผพบบรรณาคาร